พระภาพตรัสตอบว่าสัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความตรึกเป็นเหตุที่เอาไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละตันหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานคาว่าสัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้อธิบายว่าตันหาตรัสเรียกว่าความเพลิดเพลินได้แก่ความกาหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลรมูลคือโลภะ นิตรัสเรียกว่าความเพลิดเพลินได้แก่ความเพลิดเพลินที่เป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องเกี่ยวข้องเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องเศร้าหมองของสัตว์โลกสัตว์โลกถูกความเพลิดเพลินนี้ประกอบประกอบทั่วประกอบทั่วถึงประกอบพร้อมเกาะติดเกี่ยวข้องผูกพันไว้รวมความว่าสัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ ว่าด้วยความตรึก9ก้าอย่างคำว่าความตรึกในคำว่าความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นได้แก่ความตรึก9ก้าอย่างคือ 1. ความตรึกในกลางสองความตรึกในความพยาบาทสความตรึกในความเบียดเบียนสความตรึกถึงญาติหความตรึกถึงชนบท 6. ความตรึกถึงเทพเจ้าเจ็ด ความตรุกเยว่เนื่องด้วยความเป็นผู้เอนดูผู้อื่น 8. ความตรุกเกี่ยวเนื่องด้วยลาบสักระและความสรนเสริญเกความตรุกเยว่เนื่องด้วยความไม่ถูกดูหมิ่นเหล่านี้เรียกว่าความตรุกเก้าอย่างความตรุกเก้าอย่างเหล่านี้เป็นเหตุสัญจรเที่ยวไปคือท่องเที่ยวไปของสัตว์โลกคือสัตว์โลกสัญจรไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปด้วยความตรุกเก้าอย่างเหล่านี้ รวมความว่าความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นคําว่าตันหาในคําว่าเพราะละตันหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานได้แก่รูปะตันหาสัิตตันหาคันธตันหารัตันหาโผภถภะตันหาธรรมตันหาคําว่าเพราะละตันหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานอธิบายว่าเพราะละ คือเพราะเข้าไปสงบเพราะสลัดทิ้งเพราะระงรับตัณหาได้เราจึงเรียกคือกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงว่านิพพานรวมความว่าเพราะละตัณหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าสัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้น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 คำว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรอธิบายว่าสัตว์โลกมีสติสัมปชัญญะเที่ยวไปคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปอย่างไรรวมความว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรคำว่าวิญญาณจึงดับสนิทอธิบายว่าวิญญาณจึงดับคือเข้าไปสงบ ถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปรวมความว่าวิญญาณจึงดับสนิทคำว่าข่าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคอธิบายว่าพวกฆ้าพระองค์มาเฝ้าคือเป็นผู้มาเฝ้าแล้วมาเข้าเฝ้าแล้วมาถึงถึงพร้อมแล้วเป็นผู้มาถึงพร้อมกับพระองค์แล้วเพื่อทูลถามคือทูลุจ ช, ชาทูลขอทูลอัญเชิญ ทูลให้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประกาศรวมความว่าข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคคำว่านั้นในคำว่าขอฟังพระดำรั n นั้นของพระองค์อธิบายว่าพวกข้าพระองค์ขอฟังคือเรียนทรงจำเข้าไปกำหนดพระดำรั้คือคำที่เป็นแนวทางเทศนะคำสั่งสอนคำที่พร่ำสอนรวมความว่า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 ผู้มีประภาคตรัสตอบว่าสัตว์โลกไม่ยินดีเวทนาภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับสนิทว่าด้วยเวทนาคําว่าสัตว์โลกไม่ยินดีเวทนาภายในและภายนอกอธิบายว่าสัตว์โลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในอยู่ไม่ยินดีคือไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนาได้แก่และ บันเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยินดีคือการบ่นถึงความติดใจความถือความยึดมั่นความถือมั่นสัตว์โลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกอยู่ไม่ยินดีคือไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนาได้แก่ละบันเทาทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยินดีคือการบ่นถึง ความติดใจความถือความยึดมั่นความถือมั่นจัดโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู่ไม่ยินดีคือไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนาได้แก่ละบรรเทาทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยินดีการบ่นถึงความติดใจความถือความยึดมั่นความถือมั่น สัตโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นภายในพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่สัตว์โลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปภายในพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่สัตว์โลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปภายในพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่สัตว์โลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นภายนอก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 สัตว์โลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปทั้งภายในและภายนอกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่สัตว์โลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งภายในและภายนอกสัตว์โลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ไม่ยินดีคือไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนาได้แก่และบันเทวทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยินดีคือการบ่นถึงความติดใจความถือความยึดมั่นความถือมั่นสัตว์โลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาด้วยอาการสี่บสองอย่างเหล่านี้อยู่ไม่ยินดีคือไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนาได้แก่ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยินดีคือการบ่นถึงความติดใจ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 มีสติสัมปชัญญะเที่ยวไปคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปอย่างนี้รวมความว่ามีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้คําว่าวิญญาณจึงดับสนิอนทอธิบายว่าวิญญาณที่สหรคตด้วยปุญญาพิสังขารวิญญาณที่สหรคตด้วยอปุญญาพิสังขารวิญญาณที่สหรคตด้วยอนเนชาพิสังขาร จึงดับไปเพือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปรวมความว่าวิญญาณจึงดับสนิทด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าสัตว์โลกไม่ยินดีเวทนาภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับสนิทพร้อมกับการจบคาถาผู้ไทยมานพโดยประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกปุทยะมนวะปัญหานิเทศที่สิบสามจบส4โปสาละมนวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของโปสาละมนก ท่านโปศาลาทูลถามดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหวตัดความสงสัยได้แล้วทรงแสดงอดีตธรรมข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงคำว่าพระองค์ใดในคำว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงอดีตธรรมอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามภูคือไม่มีครูอาจารย์ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เองทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูในสัจจะนั้นและความเป็นผู้ชำนาญในภละทั้งหลายว่าด้วยการแสดงอดีตธรรมคําว่าทรงแสดงอดีตธรรมอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอดีตธรรม อนาคตธรรมปัจจุบันธรรมของพระองค์และชนเหล่าเอินพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอดีตธรรมของพระองค์อย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอดีตธรรมคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายสังวัตกับบ้างหลายวิวัตกรบบ้างหลายสังวัตกับและวิวัตกรร บ, บ้างของพระองค์เองว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวันณนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโนนแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจารพบนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ทรงแสดงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอดีตธรรมของพระองค์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอดีตธรรมของชนเหล่าอื่นอย่างไร คือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอดีตธรรมคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างหลายสังวัตกรับและวิวัตกรับบ้างของชนเหล่าอื่นว่าในภพโน้นเขามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเขาก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะั้น มีอาหารเสวยสุขทุกมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอดีตธรรมของชนเหล่าอื่นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อตราชาดอกห้าร้อยชื่อว่าทรงแสดงอดีตธรรมของพระองค์ และชนเหล่าอื่นเมื่อตรัสมหาปธานิยสูตรชื่อว่าทรงแสดงอดีตธรรมของพระองค์และชนเหล่าอื่นเมื่อตรัสมหาสุทัศนนิยสูตรชื่อว่าทรงแสดงอดีตธรรมของพระองค์และชนเหล่าอื่นเมื่อตรัสมหาโควินทิยสูตรชื่อว่าทรงแสดงอดีตธรรมของพระองค์และชนเหล่าอื่นเมื่อตรัสมาพเทวิยะสูตรก็ชื่อว่า ทรงแสดงอดีตธรรมของพระองค์และชนเหล่าอื่นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจุนทะตถาคตมียานอันตามระลึกปรารภอดีตการยาวนานตถาคตมุ่งอดีตการยาวนานเท่าใดก็ระลึกได้เท่านั้นตถาคตมียานอันตามระลึกปรารภ อ, อนาคตการยาวนานจุนทะยานอันเกิดที่ต้นโพของตถาคต ปราปรกปัจจุบันการยาวนานเกิดขึ้นว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ต่อไปไม่มีพระอินทริยะเปะโป ร, ริยตญาณญาณอังกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเป็นกำลังของตถาคตพระอาศยาณุสยญาณความรู้จักฉันทาที่มานอนและกิเลสที่นอนเนื่องของเหล่าสัตว์เป็นกำลังของตถาคต พระเยโมกะปฏิหารยญาญญาณเป็นเครื่องนำธรรมชาติคู่ตรงข้ามกันกลับมาแสดงเป็นกำลังของตถาคตพระมหากรุณาสมาปัฏิญาญญาณในพระมหากรุณาสมาบัตเป็นกำลังของตถาคตพระสัพพัญยุตยานเป็นกำลังของตถาคตพระอนาวรณญาณญาณที่หาเครื่องกลางกันไม่ได้เป็นกำลังของตถาคต พระอนาวรณญาณอันไม่มีอะไรข้องไม่มีอะไรขัดได้ในทุกแห่งหลเป็นกําลังของสถานคตพระผู้มีประภาคทรงแสดงคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศอดีตธรรมบ้างอนาคตธรรมบ้างปัจจุบันธรรมบ้างของพระองค์และชนเหล่าอื่นอย่างนี้รวมความว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงอดีตธรรมคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านโปศลทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักคำว่าโปศลเป็นชื่อของพรหม์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านโปาลทูลถามดังนี้คาว่าไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหว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 เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเหตุให้วันไวเพราะเป็นผู้ละความวันไว้ได้แล้วจึงไม่ทรงวันไว้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงวันไว้ือไม่สะเทือนไม่เคลื่อนไหวไม่สะทานไม่สันสะท้านเพราะได้ลากเพราะเสื่อมลาบบ้างเพราะได้ยศเพราะเสื่อมยศบ้างเพราะสรรเสริญเพราะนินทาบ้างเพราะสุข เพราะทุก์บ้างรวมความว่าไม่มีตันหาเหตุให้วันไหวคำว่าตัดความสงสัยได้แล้วอธิบายว่าความลังเลตรัสเรียกว่าความสงสัยได้แก่ความสงสัยในทุกข์ความหวาดหวั่นแห่งจิตความติดขัดในใจความสงสัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงละคือตัดตัดขาดตัดขาดพร้อมให้เข้าไปสงบ สลัดทิ้งระงับทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าทรงตัดความสงสัยได้แล้วรวมความว่าไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหวตัดความสงสัยได้แล้วคําว่าผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงถึงฝั่งได้ด้วยความรู้ยิ่ง ถึงฝั่งได้ด้วยการกำหนดรู้ถึงฝั่งได้ด้วยการละถึงฝั่งได้ด้วยการเจริญภาวนาถึงฝั่งได้ด้วยการทำไม่แจ่มถึงฝั่งได้ด้วยการเข้าสมาบัติถึงฝั่งได้ด้วยความรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงพระองค์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าผู้ทรงถึงฝังแห่งธรรมทั้งปวง คำว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าอธิบายว่าข้าพระองค์ต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าข้อนี้จึงเป็นภาระของพระองค์รวมความว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้างด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านโปสรละทูลถามดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดไม่มีตัณหาเหตุให้วันไว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 ความเป็นผู้หมายรู้ของบุคคลผู้เข้ารูปราวจรสมาบัติหรือถือกำเนิดในรูปราวจรพบหรือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุกในปัจจุบันนี้ชื่อว่ารูปสัญญาคำว่าผู้ไม่มีรูปสัญญาอธิบายว่าผู้ได้อรูปสมาบัตสี 4, ไม่มีรูปสัญญาคือไม่ปรากฏก้าวล่วงก้่าวพ้นล่วงพ้นแล้วรวมความว่า ผู้ไม่มีรู ป, ปรสัญญาคําว่าผู้ละรูปกายได้ทั้งหมดอธิบายว่ารูปกายซึ่งมีในคราวปฏิสนธิทั้งหมดบุคคลนั้นละได้แล้วเพื่อเขาละรูปกายเพราะก้าวล่วงด้วยตะทางคาปะหารและด้วยวิขล้ำพนาปะหารรวมความว่าผู้ละรูปกายได้ทั้งหมดคําว่าไม่มีอะไรในคําว่า ผู้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกเห็นว่าไม่มีอะไรอธิบายว่าอากินจัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าอากินจัญญายตนะสมาบัติเพราะอาจว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีเพราะเหตุไรคือบุคคลผู้มีสติเข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติใดออกจากสมาบัตินั้นแล้วไม่ให้วิญญาณั้นมีไม่ให้มีโดยประการต่างๆให้อันตรธานไป ย่อมเห็นว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอากินจัญญายาตนะสมาบัตเพราะอาจว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีรวมความว่าผู้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกเห็นว่าไม่มีอะไรคำว่าข่าแต่พระองค์ผู้สักกะในคำว่าข่าแต่พระองค์ผู้สักกะข่าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคผู้สักกะพระผู้มีพระภาคเสด็จออกผนวจากศักยะตรกูลจึงชื่อว่าผู้สักกะทรงละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวจึงชื่อว่าผู้สักกะคำว่าค่าแต่พระองค์ผู้สักกะข่าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณอธิบายว่าข่าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณคือทูลถามถึงปัญญา ทูลถามถึงความรู้ชัดของบุคคลนั้นว่ายานเป็นอย่างไรมีสันฐานอย่างไรมีประการอย่างไรเปรียบได้กับอะไรบุคคลนั้นพึงปรารถนารวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงยานคําว่าบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นควรแนะนําอย่างไรอธิบายว่าบุคคลนั้นควรแนะนําควรแนะนําไปโดยวิเศษ ตามแนะนำแนะนำให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ผู้อื่นรู้จักประโยชน์ให้เพ่งพินิษให้พิจารณาให้เลื่อมใสยอย่างไรได้แก่ควรให้เกิดยานยิ่งยิ่งขึ้นไปแกเขาอย่างไรคําว่าบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นได้แก่บุคคลผู้เป็นเช่นนั้นเคอผู้เป็นอย่างนั้นผู้ดำรงอยู่อย่างนั้นผู้เป็นประการนั้นผู้มีส่วนอย่างนั้นได้แก่ ผู้ได้อากินจัญญายาตนะสมาบัติรวมความว่าบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไรด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงปราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงยาของบุคคลผู้ไม่มีรูปสัญญาผู้ละรูปกายได้ทั้งหมดผู้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกเห็นว่าไม่มีอะไรบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นควรแนะนาอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปสาละตถาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณนติติทั้งหมดรู้จักบุคคล น, นั้นผู้ดำรงอยู่ผู้น้อมไปแล้วผู้มีอาคินจัญญายตนะมาบัตนั้นเป็นที่มุ่งหมาย ว่าด้วยวิญญาณนติติเจ็ดคำว่าซึ่งวิญญาณนติติทั้งหมดอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้วิญญาณนติติสี่ด้วยอํานาจอภิสังขารทรงรู้วิญญาณนติติเจ็ดด้วยอํานาจปฏิสนธิพระผู้มีพระภาคทรงรู้วิญญาณนติติสี่ด้วยอาภภํานาจอภิสังขารอย่างไรสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พิสุทั้งหลายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ที่เข้าถึงรูปเมื่อดำรงอยู่ก็มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรได้พิสุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงเวทนาพิสุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาอีกในหนึ่งพิสุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงสังขาร เมื่อดำรงอยู่ก็มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ได้พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักวิญญาณทิฏฐิสี่ด้วยอำนาจอภิสังขารอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงรู้วิญญาณทิฏฐิเจ็ดด้วยอำนาจปฏิสนธิอย่างไรสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พิสูุน์ทั้งหลายนี่สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์บางพวกเทวดาบางพวกวินิปาติกะบางพวกนี้คือวิญญาณทิติที่หนึ่งสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายิกาเกิดในปฐมชาตนี้คือวิญญาณทิติที่สอง สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสระนี้คือวิญญาณนติติที่สามสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันและมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะนี้คือวิญญาณนติติที่ 4. สี่สัตว์เหล่าหนึ่งก้าล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่มนาสุ ก, การนาน า, นาตสัญญาโดยประการทั้งปวง เข้าถึงอากาศสารนจายตนะฌานด้วยมนัสสการว่าอากาศไม่มีที่สุดนี้คือวิญญาณนติติที่ห้าสัตว์เหล่าหนึ่งก้าร่วงอากาศสาัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณนจายตนะฌานด้วยมนัสสการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้คือวิญญาณนติติที่หกสัตว์เหล่าหนึ่งก้าร่วงวิญญาณนจายตนะฌานเสียโดยประการทั้งปวง เข้าถึงอากินจัญญายตนาชาญด้วยมนัสการว่าไม่มีอะไรเลยนี้คือวิญญาณนิติที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคทรงรู้วิญญาณนิติเจ็ด้วยอำนาจปฏิสนธิอย่างนี้รวมความว่าซึ่งวิญญาณนิติทั้งหมดคำว่าโปสาละในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปสาละ เป็นคาที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพรามนั้นโดยชื่อคาว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวด้วยความเคารพคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจิกาบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัส ต, ตอบว่าโปสาละว่าด้วยพระตถาคตคําว่ารู้ยิ่งในคาว่าตถาคตรู้ยิ่งอธิบายว่า พระตถาคตทรงรู้ยิ่งคือทรงรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจุนทะถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้นถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ต, ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้น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 ตถาคตก็ไม่พยากรเรื่องปัจจุบันนั้นถึงแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบเพื่อประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรปัญหานั้นจุนทะตะถาคตเป็นกาลวาทีภูตวาทีอัฐวาทีธรรมวาทีวินยยวาทีในธรรมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยประการฉนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตจุนทะอายตนะใดแลอันโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกอันหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วได้ยินแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วสาะหาแล้วพิจารณาแล้วด้วยใจอายตนะทั้งหมดนั้นตถาคตรู้ยิ่งเองแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคต ตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและตถาคตย่อมปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพ า, านธาตุในราตรีใดตถาคตย่อมกล่าวเล่าชี้แจงเรื่องใดในระหว่างนั้นเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตตถาคตตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้น ตถาคตตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นด้วยประกรรนิชเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตจุนทะตถาคตทรงยิ่งใหญ่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันใครๆครครอบงาไม่ได้เป็นผู้เห็นโดยท่องแท้เป็นผู้ให้อานาจเป็นไป เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตรวมความว่าตถาคตรู้ยิ่งคำว่ารู้จักบุคคลนั้นผู้ดำรงอยู่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้กำลังดำรงอยู่ในโลกนี้ด้วยอานาจกลรร ม, มาพิสังขารว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้ว หลังจากตายจากไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้กําลังดํารงอยู่ในโลกนี้ด้วยอํานาจกราหมาพิสังขารว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดําเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจะไปเกิดในกําเนิดเดริชานพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้กําลังดํารงอยู่ในโลกนี้ ด้วยอำนาจกรรมมาพิสังขารว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจะไปเกิดในเปตตวิสัยพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้<ส tripod>กำลังดำรงอยู่ในโลกนี้ด้วยอำนาจกรรมมาพิสังขารว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจากเทอกํากเนิดในหมู่มนุษย์ พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้กำลังดำรงอยู่ในโลกนี้เองด้วยอำนาจกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสาเรบุตรเรากาหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้น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 บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจะไปเกิดในเปตวิสัยเรากำหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า <cryst> <c oughs> บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแลว้วหลังจากตายจากเถอกำเนิดในหมู่มนุษย์เรากำหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า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 รวมความว่ารู้จักบุคคลนั้นผู้ดำรงอยู่คําว่าผู้น้อมไปแล้วในคําว่าผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายอธิบายว่าผู้น้อมไปสู่อากินจัญญายตนะสมาบัติคือน้อมไปโดยวิโมกน้อมไปในสมาบัตินั้นน้อมไปสู่สมาบัตินั้นมีสมาบัตินั้นเป็นใหญ่อีกในหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าบุคคลนี the the the ้น้อมใจไปในรูปน้อมใจไปในเสียงน้อมใจไปในกลิ่นน้อมใจไปในรสน้อมใจไปในโพธิภะน้อมใจไปในตระกูลน้อมใจไปในหมู่คณะน้อมใจไปในอาวาสน้อมใจไปในลาบน้อมใจไปในยศน้อมใจไปในสรนเสรน้อมใจไปในสุขน้อมใจไปในจีวรน้อมใจไปในบินทบาท น้อมใจไปในสนาสนะน้อมใจไปในคีลานปัจใจเษศปรุขานน้อมใจไปในพระสูตรน้อมใจไปในพระวินัยน้อมใจไปในพระอภิธรรมน้อมใจไปในบางสุกูลิกรังคทุดงสมาทานการนุ่งหม่มผ้าบางสกุลเป็นวัดน้อมใจไปในเตจีวริกรังคทุดงสมาทานการทรงตรจีวรเป็นวัดน้อมใจไปในปินทปาเตกรังคทุดง สมาทานการเที่ยวบินทาบาตเป็นวัดน้อมใจไปในสปะทานะจาริกกลางคัทุดงสมาทานการเที่ยวบินทบาตไปตามลําดับเป็นวัดน้อมใจไปในเอากาสเนกังคัทุดงสมาทานการนั่งฉันนาอาชนะเดียวเป็นวัดน้อมใจไปในปัตตะปินเทึกกลางคัทุดงสมาทานการฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดน้อมใจไปในขลุ ป, ปัจฉาัติกลังคัทุดง สมาทานการงดฉันอาหารมื้อหลังเป็นวัดน้อมใจไปในอารัญยักกลางคทุดงสมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดน้อมใจไปในรุกขมูลเกกลางคทุดงสมาทานการถืออยู่โคนไม้เป็นวัดน้อมใจไปในอภโกรสิกลังคธทุดงสมาทานการถืออยู่ที่แจ้งเป็นวัดน้อมใจไปในโสสานิกลางคัทุดงสมาทานการอยู่ป่าช้าเป็นวัด น้อมใจไปในยถาสันทติกรังคธุดงสมาทานการอยู่ในเสนาสะนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดน้อมใจไปในเนสัชิกรังคทุดงสมาทานการนั่งเป็นวัดน้อมใจไปในปฐมฌานน้อมใจไปในทุติยฌ า, านน้อมใจไปในตติยฌานน้อมใจไปในจตุทัชฌานน้อมใจไปในอากราสานัญชายตนะสมาบัติ น้อมใจไปในวิญญาณัญจายตนะสมาบัติน้อมใจไปในอากินัญญาญตนะสมาบัติน้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญาญตนะสมาบัติรวมความว่าผู้น้อมไปแล้วคำว่าผู้มีอากินัญญายตนะสมาบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายอธิบายว่าสำเร็จมาจากอากินัญญาญตนะสมาบัติมีสมาบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมาย มีกรรมเป็นที่มุ่งหมายมีวิปากเป็นที่มุ่งหมายหนักในกรรมหนักในปฏิสนทิอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าบุคคลนี้มีรูปเป็นที่มุ่งหมายมีเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตเป็นที่มุ่งหมายรวมความว่าผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากจิญญายตนะสมาบัตนั้นเป็นที่มุ่งหมายด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัส ต, ตอบว่าโอสาละตถาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณทิติทั้งหมดรู้จากบุคคลนั้นผู้ดำรงอยู่ผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากินจัญญายตนสมาบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมาย ประพาตรตอบว่าบุคคลนั้นรู้กรรมมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัตริรู้อรู ป, ปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้กรรมนั้นอย่างนี้แล้วออกจากสมาบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นยานนี้ของพรามผู้อยู่จบพรมจันนั้นเป็นยานอันแท้จริง คำว่าบุคคลนั้นรู้กรรมมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติอธิบายว่ากรรมมาพิสังขารอันให้เป็นไปในอากินจัญญายตนะพตรัสเรียกว่าเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติบุคคลนั้นรู้กรรมมาพิสังขารอันให้เป็นไปในอากินจัญญายตนะพ ว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญาญตนะสมาบัติคือรู้ทรา บ, ทบเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งว่าเป็นเหตุเกาะติดเป็นเหตุผูกพันเป็นเหตุพัวพันรวมความว่าบุคคลนั้นรู้กรรมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญาญตนะสมาบัติคำว่ารู้อรูปปราคะว่า มีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้อธิบายว่าอรูปราคะตรัสเรียกว่าความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้บุคคลนั้นรู้กรรมนั้นว่าเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันด้วยอรูปปราคะคือรู้ทราบเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งอรูปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้คือรู้ว่าเป็นเหตุเกาะติด เป็นเหตุผูกพันเป็นเหตุผัวพันคำว่าว่าเป็นคำสนทิคำว่าว่านี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันรวมความว่ารู้อรูปปราคะว่ามีความเพล่อเพลินเป็นเครื่องผูกไว้คำว่าครั้นรู้คำนั้นอย่างนี้แล้วอธิบายว่าครั้นรู้คือครั้นทรากเทียบเทียงพิจรารณาทาให้กระจาง ทำให้แจ่มแจ้งกรรมนั้นอย่างนี้แล้วรวมความว่าครั้นรู้กรรมนั้นอย่างนี้แลว้วคําว่าออกจากสมาบัตินั้นในคําว่าออกจากสมาบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นอธิบายว่าบุคคลเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นก็เห็นแจ้งคือแลเห็นมองดูเพ่งพินิษ พิจารณาเห็นธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดในอาคินจั ญ, ญายาจตนะสมาบัตินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นของที่ต้องฉลัดออกไปรวมความว่าออกจากสมาบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นคําว่าญาณ น, นี้นั้นเป็นญาณอันแท้จริงอธิบายว่า ยา น, นี้ของบุคคลนั้นจริงแท้แน่นอนไม่ผิดเพี้ยนรวมความว่ายานนี้นั้นเป็นยานอันแท้จริงคำว่าของพรามในคำว่าของพรามผู้อยู่จบพรหมจรรย์อธิบายว่าที่ชื่อว่าพรามเพราะเป็นผู้ลอยทาเจตประการได้แล้วผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราม คำว่าของพราหมณ์ผู้อยู่จบพรหมจรรย์อธิบายว่าพระเสขะเจ็ดจำพวกรวมทั้งกัลยาณปูชนย่อมอยู่อยู่ร่วมอยู่อาศัยอยู่ครองเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งพระอรหันต์อยู่จบแล้วทําคิดที่ควรทําแล้วลงภาระบรรลุถึงประโยชน์ตนแล้วโดยลาดับ หมดสิ้นสังโยชน์ในภพแล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้ชอบพระอรหันต์นั้นอยู่ในอริยาวาสธรรมแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้วท่านไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายและภพใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าของพราหมณ์ผู้อยู่จบพรหมจรรย์ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าบุคคลนั้นรู้กมมาพิสังขารว่า